ความสงบใจลงไปมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตให้ดีอย่าให้วอกแวกเวลาเช่นนี้แหละเราจะรู้ได้ว่าจิตมันตั้งมั่นหรือจิตไม่ตั้งมั่นมันจะรู้ได้เวลานี้เวลา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 ความรู้สึกอันนั้นให้มันเข้มแข็งอย่าให้อ่อนแ อ, อเพ่งความรู้สึก น, นันก็คือเพ่งจิตนั่นเองไม่ใช่อย่างอื่นใดจิต ก, ก็คือความรู้สึกนั่นเองอดังนั้นเพ่งให้มันหยุดนิ่งอยู่ได้ มันไม่หยุดนิ่งเฉยเลยยมันมาใช้ไม่ได้เลยจิตนี้เพราะนั้นต้องต้องกำหนดลงให้แน่วแน่มเมื่อจิตไม่สงบมันก็ไม่รู้จักทุก็เป็นอย่งั้นความไม่รู้จักทุกก็เพราะจิตมันเลื่อนลอย จิตมันเลื่อนลอยไปตามทุกข์ทุกข์นั่นมันไม่เป็นของนิ่งทุกข์ลักษณะของทุกข์นั่นเป็นเรื่องแปรปวนเป็นเรื่องวันไหวเบี๋ยงอันแังนั้นเราฝึกจิตให้นิ่งแล้วมันจึงรู้จักความวันไหวของร่างกายสังขารอันนี้ได้ เบ่งงานให้เข้าใจดังนั้นในการฝึกกิจให้สงบนี่นะมันจึงเป็นบทบาทเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติทางขีดใจให้พากันเข้าใจดะงนั้นการที่มีข้อวัดปฏิบัติกันได้มาร่วมชุมนุมกันในศาลาการป ร, รียญนี้ ก็เพื่อจะฝึ ก, กจิตให้นิ่งนั่นแหละจุดมุ่งหมายทีแรกนะนันเพราะส่วนมากจิตของคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยนิ่งนะะมันมักจะแล่นไปตามอารมณ์ต่างๆเมื่อสิ่งอารมณ์อะไ้เรื่องใดกระทบมานะมันก็วิ่งไปตามเลยอย่างนี้นะอันแะจึงได้ยชื่อว่าจิตนี่มันไม่ไม่ไม ตั้งมั่นอยู่ได้มันก็ไม่รู้ความจริงคนส่วนมากมันเป็นเช่นนี้แหละเหตุนั้นมันจึงเลื่อนลอยอยู่ในโลกสงสารอันนี้นี้จากโลกอันนี้ไม่ได้เลยอ่า น, นั้นนี้จากโลกอันนี้ไม่ได้เพราะจิตใจเลื่อนลอยแล้วมันก็ผูกพันอยู่กับโลกนี้อืม เดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายนั่นนี่ฉะนั้นถ้าเราทำจิตนิ่งแล้วมันจะรู้ได้ว่าร่างกายสังขารนี้ไม่มีอะไรนิ่งนิ่งอยู่ได้มีแต่แปรปรวนไปอยู่นั้นทีนั้นแล้วมันก็จะเกิดทิพทาความเบื่อหน่ายขึ้นมา มันไม่เบื่อนายนี่แหละเหตุที่มันปรุงมันวางถันห้าไม่ได้นี่นะคิดไม่เบื่อเรื่องมันนะอ่าถ้ากินได้นอนหลับอยู่มังก็ยินดีอยู่กับร่างกายอันนี้แหละว่าตนสบายอยูอ่ก็เลยไม่อยากคิดรู้ความจริงของชีวิตนี่ก็เพียงแค่อาศัยความสบายไปวันวันเท่านั้นเองเนะี่ย เป็นอยู่ไปการที่จะทำคนเพียนนั่งภาวนาเข้าไปให้มันเห็นทุกข์เกิดขึ้นบ้างน้อยคนที่จะทำได้พอนั่งไปหน่อยหนึ่งแล้วพอมันเจ็บมันปวดมันอะไรขึ้นมาบ้างก็เอาแล้วทนไม่ไหวแล้ว หาทางที่จะยกเลิกเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ไม่เห็นทุกข์สักเทียงนั่นแหละเรื่องมันนะมันก็ไม่เห็นทุกข์ดังนั้นให้พากันเข้าใจว่าความที่จิตไม่เห็นทุกข์นี่แหละมันจึงไม่เบื่อทุกข์ไม่เบื่อโลกสงสารอันนี้ มันยังอยู่ห่างไกลต่อพันิพาลยิ่งนักถ้าว่าบุคคลยังเกียดครานอยู่ยังปล่อยใจของทนให้อ่อนแอท้อแท้อยู่เนี่ยแม้จะเข้ามาบวชในพุทธศาสานานี่มันก็เอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้เดินแล้นใด้พากันเข้าใจ เราจะรอดจากทุกข์ไปได้ก็เพราะอาศัยทำใจเข้มแข็งไม่วนไว้นี่แหละสำคัญมากเพราะว่าร่างกายอันนี้เนะี่ยมันกระทบกระทั่งกับจิตนอยู่ตลอดเวลาดังนั้นถ้าจิตไม่เข้มแข็งแล้วมันก็จึงวนไว้ไปตามร่างกายก็เดียวว่าจิตเป็นทุก มันเป็นอยงั้นจิตเป็นทุกข์คือจิตรุ่นวายนั่นเองเนี่ยอจิตไม่สงบนั่นเองอันนี้จิตวันไหวนี่ลักษณะของจิตที่เป็นทุกข์จิตไม่เป็นทุกข์คือจิตตั้งมัน่นแม้ว่าจะถูกทั้งขันร่างกายนี่กระทบกระทั่งอย่างไร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 เป็นส่วนหนึ่งโดยเฉพาะแต่อาศัยอยู่กับร่างกายอันนี้แหละแต่เมื่อฝึก้นให้มันเข้มแข็งหนักแน่นเฉลียวฉลาดแล้วมันรู้เท่าอั น, นี้รู้เท่าอาการของร่างกายที่มันเคลื่อนไหวไปมาอย่างไรอยู่มันก็กำหนดรู้ตามเห็นตามไปเพราะมันไม่หวนไหว ถ้ามันวันไวแล้วมันจะกำหนดรู้เท่าตามไปไม่ได้เลยเปรียกั น, นดังนั้นขอให้พากันเข้าใจว่าเราอดเ้าทนเราสู้ทุกสู้ยากทำความเพียรในชีวิตนี่นะให้เต็มที่เสียแล้ว ถึงแม้จะยังไม่ถึงพระนิพพานแต่มันก็ใกล้พระนิพพานเข้าไปเรื่อยๆให้เข้าใจอย่างนั้นอืมก็พูะที่จะถึงพระนิพพานก็เพราะรู้เท่าทุกตามความเป็นจริงไม่หว่นไหวต่อทุกนี่แหละอืมเมื่อเมื่อรู้เท่าทุกไม่หว่นไหวต่อทุกแล้วตัณหาความอยากภายในจิตใจนี่มันกบ ระ ง, งับไปเลยเพราะว่าตัณหามันก็อยากให้ร่างกายนี่แข็งแรงอยากให้ร่างกายนี่อยู่ยั่งยืนนานไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้ป่วยนี่ตัณหาประเภทนี้น ะ, ะตัณหาอีกประเภทหนึ่งมันก็มันผ่านมาตั้งแต่เป็นยวัยหนุ่มวัยกลางอันนี้ตัณหาประเภทนั้นนะ่ะ รักในผัวในเมียอย่างดูดดึ่มอ่าวันนี้ผู้ที่ไม่มีผัวมีเมียได้ออกบวชมาแล้วก็สละความรักความพอใจในเรื่องผัวผัวมเมียเมมาแล้วบันนี้ก็มาติดอยู่ในร่างกายวันนี้นะเนี่ยมายึดมั่นอยู่ในร่างกายนี้ ตอนนั้นอมภาวนาทำจิตให้สงบระงับแล้วมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นทำความรู้เท่าทุกขเวทนานั้นฝึกจิตให้มันหนุนไหวเนี่ยันหาที่มันอยากให้ร่างกายมันเป็นปกติอยากให้มันมั่นคงถาวรอะไรนมันก็ระงับลงเพราะรู้ดีแล้วว่า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 ขันทั้งห้าธาตุทั้งสี่มันแปรปรวนต่างหากจิตมีหน้าที่กำหนดรู้เท่าตามเป็นจริงเท่านั้นเมื่อฝึกจิตให้เข้มแข็งแล้วมันก็รู้เท่าได้เพราะว่าจิตจิตไม่วันไวต่อทุกขเวทนานะนั่นแหละมันก็รู้เท่าได้แบบนี้ถ้าจิตวันไวต่อทุกขเวทนาอยู่ชื่อว่าไม่รู้เท่ามันเป็นอย่างนั้น อย่าเน้นอย่าย่าไปกลัวต่อทุกขเวทนาไอจิตตรงนี้มันไม่ตายแม้นทุกจะกระทบกระทั่งอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่ตายอย่ากลัวทําความกล้าหาญสู้ไม่หวั่นไหวนี่แหละมันจะพ้นทุกข์ได้ก็ด้วยเหตุนี้แหละผู้ใดทําใจอ่อนแอพอทุกขมาถึงเข้าก็ ร้องครวนคลางไปเลยไม่มีสติควบคุมจิตใจตัวเองได้เลยเช่นนี้แล้วก็พ้นทุกไปไม่ได้เพียงนั้นดังนั้นเราต้องรู้ต้องรู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำอันเป็นเรื่องประจำแท้ๆก็คือการรักษาจิต รักษาความรู้ความเห็นที่ได้บําเพ็ญในเกิดให้มีขึ้นแล้วอย่างนี้นะก็ต้องรักษาความรู้ความเห็นอันนั้นให้ตั้งมั่นเป็นปกติอยู่นั่นเองก็เห็นว่าร่างกายในไม่เที่ยงอย่างนี้ก็เห็นอยู่นั้นหมายก็ว่างั้นเห็นว่าร่างกายในเป็นทุกข์ทนในยากคนลำบากก็รู้ก็เห็นทำเป็นจริงอยู่อย่างนั้น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 จิตนี่นะเมื่อฝึกให้มันเข้มแข็งอะไรมันก็ยิ่งเข้มแข็งเข้าไปหนักแน่นเข้าไปถ้าปล่อยให้มันอ่อนแอเข้าไปเลยมันก็ยิ่งอ่อนแอไปอย่างนี้นะอืดังนั้นอย่าให้มันอ่อนแออืมเราสามารถทําให้เข้มแข็งได้โดยยึดเอาคําสอนของพุทธเจ้าเป็นหลักว่าทุก เป็นของควรกําหนดรู้เท่าไม่ใช่เป็นของคนละละไม่ได้ในเมื่อขันหน้านี้ยังมีอยู่ขันหน้านี้ยังไม่แตกไม่ดับตราบใดทุ ก, ก็มีอยู่ตราบนั้นอจิตจึงมีหน้าที่อดกั้นทนทานเพราะว่าบุญเก่ายังไม่หมดจิตนี่จะถอนตัวออกจากร่างนี้ก็ไม่ได้เพร บุญเก่ายังรักษาอยู่ก็ต้องอยู่ไปและต้องอดกันทนทานต่อทุกขเวทนาไปอย่างน้อยทุกขเวทนาอย่างแยำแยบมันก็ครอบงาจิตใจไม่ได้แล้วละโลกนี้ไปสู่โลกหนะ้าความทุกข์อันแยำแยบมันก็ไม่ได้ติดตามไปแล้ววันนี้อื ม, อม มันจะมีความทุกข์ก่อความทุกข์ส่วนละเอียดนั่นแหละก็นับว่า เ, เบาจากทุกไปมากมายอ่าไอ้เข้าใจอย่างนั้น <c oughs> ถ้าเราจะพูดกันไปเรื่องอื่นมันก็มันก็ห่างจากทุกแท้ที่จริงคนเราในจิตใจเลื่อนลอยฟุ้งซ่านก็เพราะว่าสู้ความทุกข์ไม่ได้นี่เองนะ เหตุ Shift, นั้นจึงอยากจะย่ำเรื่องทุกข์นี้ให้มั่งมากให้ถือว่ามันไม่ใช่เราเป็นทุกข์ความทุกข์ไม่ใช่มีในเราให้มันรู้จะชัดใจใจอย่างนั้นเรื่องมันนะทุกข์มันเป็นเรื่องของขันห้าอย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่นั่นเนี่ยตอนนั้นอย่าไปลืมข้อนี้นะก็ให้เตือนจิตของตนอย่างนี้ เมื่อมันเกิดทุกขเวทนาได้ขึ้นมาก็ให้เตือนจิตว่าทุกขเวทนาเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวตนของเราอทุกขเวทนาเหล่านี้ไม่ได้มีในจิตจิตไม่ได้มีในทุกเราก็หาอุบายแยกจากกันอย่างนี้แหละอืม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 เจ็บไข้ได้ป่วยหรือพอมีใครกระทบกระทั่งเสีย อ, อกเสียใจบ้างร้องให้ลำลายสาบแช่งคนอื่น ห, หรือพอเจ็บพอปวดอะไรรุนแรงเข้าไปก็ร้องให้ ล, ลํลไรนั่นแหละแสดงว่าจิตมันไม่มันมันไม่หนักแน่นมันไม่ได้กำหนดรู้เท่าทุกมาแต่ก่อนนู่นมันยึดเอาทุกติดตามมา ก็เกิดมาชาตินี้เราก็จึงว่ามาวันไหวกับทุกขเวทนาเหล่านี้จิตใจอันนี้นะฮะมันเป็นอย่างนั้นวันไหวก็คนเขาด่าเขาว่าเสียดสีตัวตัวเองเถียงสู้เขาไม่ได้ก็ร้องให้บางคนเป็นอย่างนั้นเรื่องพวนี้นะ่ยมันเป็นเรื่องหลงเรื่องเมาของจิตใจ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 ขอให้เข้าใจเอาใครแล้วจะมาบ่นเพ้อพิไรรำพันธจะมาแสดงออกทางกายทางวาจาร้องไห้รำไรอันนี้มันก็เพราะอิทธิพลของขิตนั่นเองเนี่ยจิตสู้กับความทุกข์ไม่ไหวก็เลยแสดงแสดงให้กายร้องไห้รำไรเศร้าโศกเสียใจออกมานี่ แท่ที่จริงก็จิตนั่นะร้องให้นะอืามันเลยกระเทือนถึงร่างกายร่างกายนี่ก็เลยร้องให้ตามไปถ้าหากว่าจิตไม่ร้องให้แล้วร่างกายนี่ก็ไม่ร้องให้เลยเป็นอย่งั้นจิตไม่ทุกข์ร้อนอะไรแล้วอย่างนี้ร่างกายนี่มันก็ต้องแปรปวนไปตามเรื่องของมันเท่านั้นเนี่ยไม่มีผู้เป็นทุกข์กว่านี้นะ เพราะว่าจิตใจมันไม่วันไหวแล้วมันไม่ถือว่าทุกข์เป็นของตนไม่ได้ถืออย่างนั้นกำหนดรู้ว่าทุกข์ไม่ใช่ของตนเป็นเรื่องของขันห้าต่างหากอย่างนี้นะให้พากันฝึกจิตใจเข้าไปอย่างนี้อย่าไปย่อหย่อนอย่าไปสะดุ้งหวาดกลัวต่อความทุกข์ กลัวทุกเท่าไรทุกยิ่งย่ำยีก็ไปเท่านั้นเรื่องมันนะถ้าเราทาเจให้เข้มแข็งไม่หวาดกลั ว, วเข้าไปนี่ทุกมันก็เบาบางจากกิจใจไปมันเป็นงานเรื่องมันนะอย่างนั้นมันไม่ใช่อื่นไกลอะไรเนะี่ยพระพุทธเจ้ายัางได้ทรงตรดัดไว้ว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้น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 เป็นเรียกว่าทุกขลักษณะลักษณะแห่งความทุกข์ของร่างกายมันหวนไปไปมาแล้วก็ต้องได้เยียวยาอยู่ทุกวันเยียวยาด้วยข้าวด้วยน้ําด้วยยุดยาอย่างอื่นเข้าไปอย่างนี้นะมันยึ่งพอประทังอยู่ได้ถ้าหากว่าไม่เยียวยาอย่างนี้แล้วไม่อยู่ยั่งยืนไม่ได้เลยทุก ก้อนทุกอันนี้นะไม่เยียวยารักษาแล้วก็แตกดับไปเไปเท่านั้นเลยมีอะไรอ่ะอมอันนี้เราอาศัยเยียวยารักษาอยู่ด้วยข้าวน้ําโภชนาอาหารเครื่องงุ่งเครื่องหอมที่อยู่ที่อาศัยกันพ้นกันลมกันแดดกันตัดมีพิษกัดต่อยอะไรต่ออะไรเราหาทางป้องกัน ร, รักษามันอยู่ อย่างนี้นะมันยึงพอประทังอยู่ในร่างกายอันนี้นะอันนี้แต่ถึงอย่างไรเมื่อถึงคาวบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนมันหมดลงแล้วไม่มีอะไรป้องกันได้เลยแบบนี้ไม่มีอะไรป้องกันได้มีเงินเป็นหลายน้อยล้านก็ก็ช่วยไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อบุญเก่าหมดลงแล้ว อวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆเหล่านี้มันไม่ทำงานแล้วนะเหมือนอย่างรถลาซึ่งไม่มีน้ามัน น, ะนั่นแหละเมื่อไม่มีน้ำมันหล่อลื่นแล้วสตาร์ทก็ไม่ติดเลยฮะเบ่งั น, อ, ง น, นอันนั้นก็ยังชั่วนหน่อยนะเอาน้ำมันใส่เข้าไปแล้วมันยังสตาร์ทติดไปได้ร่างกายคนเรานี่ถ้าบุญเก่าหมดลงไปแล้ว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 อาร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเลยวันนี้รวมความลงนะถ้าเป็นของเรามันก็ต้องบังคับได้มันก็จะอยู่ตั้งยั่งยืนต่อไปตามความประสงค์ของตนนะ่ะเออแต่นี่ความประสงค์ของจิตใจในหวังว่าจะอาศัยร่างกายอันนี้อยู่ไปตลอดกาลนานเนี่ยแต่มันไปไม่ได้วันนี้อมืมันขอมีขอบเขตจํากัด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 ร่างกายมันไม่ได้เสวยสุขเสวยทุกข์อะไรนะถ้าไม่มีจิตดวงนี้แล้วมันก็เป็นเพียงธาตุดินธาตุน้ําละลายออกจากกันแล้วก็มาเป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมของเรานั้นแหละในเมื่อจิตยังคลองอยู่มันก็ยังมีกําลังเดินเหินไปมาได้พูดจาได้ ทำการงานต่งางๆได้อยู่อ่านี่ดังนั้นเราจะไว้ใจได้ยังไงบ่อนี้ว่าบุญเก่าที่ทํามาแต่ก่อนนั้นเรารู้ไม่ได้ว่าเรามีบุญมากน้อยเท่าไหร่บุญนั้นมันจะหมดลงเมื่อไร ร, รู้ไม่ได้เลยไม่มีใครมาบอกล่วงหน้าเลยดังนั้นน่ะเราจึงต้องเตรียมตัวไว้เสมออย่างนี้แหละอืมเตรียมตัวไว้ เพื่อคิดให้เข้มแข็งหนักแน่นไว้อันเผื่อว่าบุญเก่ามันใกล้จะหมดลงไปแล้วแล้วมันทำให้ร่างกายนี่ทรุดโทรมลงไปแลบประทานอาหารก็ไม่ได้แล้วได้แคนะ่นี้นิดหน่อยน่อยพระพนะอะนั่นเองอญาตผู้ดูแลก็หมดหวังแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเห็นผู้ป่วยเป็นอย่างนั้นแล้วก็อ้อยหมดหวังแล้ว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 คนขวายอาหารมาหล่อเลี้ยงมันอยู่นี่ก็มันเป็นกฎธรรมดาของร่างกายสังขารอ น, นี้ถึงแม้ว่าบุญกุศลทอนหลังจะตกแต่งให้เกิดมาเป็นผู้เป็นคนมาก็จริงอยู่แต่ถ้าหาว่าไม่เอาอาหารหล่อเลี้ยงแล้วร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถึงบุญกุศลจะ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 ไม่ยังยืนอย่างนี้แหละมันก็มีแตกมีดับเป็นธรรมดาเมื่อเหตุปจัจจัยนี้ดับแล้วร่างกายอันนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องแตกดับไปเราหัดปงหัดวางไปเสียทุกันทุกคืนไปทำจิตให้ส ง, งบลงไปกระชื่อว่าวางแล้ววางขันหา่าในลงไปเช่นนี้แล้วก็ ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเกียมเนื้อเกียมตัวอยู่ทุกเวลานาทีก็จะเป็นผู้ไม่ผิดหวังแน่นอนก็จะไม่ไม่ไม่ได้ไปสู่ทุกเมื่อไปไม่ไปสู่ทุกแล้วก็มีความสุขเป็นที่ไปดังแสดงมาขอจบลงเพียงเข้านี้